รูปร่างของโยมบาล น, นั้นอ้วนใหญ่ท้องพลุยศีรษะล้านในตาเมืองถึงไม่สวมเสื้อแต่นุ่งผ้ามือถือขวานนั่งอยู่บนบันลังใต้ต้นไม้และข้างๆโยมบาลจะมีลูกน้องคอยตรวจบัญชีว่าใครจะตายเมื่อไรและทำบาปกรรมอะไรมาบ้างอะไรทำนองนี้เป็นต้นข้าพระเจ้าได้เอาเรื่องนี้ไปปรารภให้พ่อฤาษีสราญกัสฟังเพื่อต้องการจะทราบว่า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 เพราะเหตุที่ได้อยู่ร่วมกับคนดีพ่อฤศีได้อธิบายให้ฟังอีกว่าหลักใหญ่ๆของเรื่องย ม, มาบาลเรื่องนรกและเรื่องสวรรค์ก็มีอยู่ดังที่กล่าวมานี้แต่ทั้งนี้ท่านก็ได้เตือนไว้ด้วยว่าอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นในหลักเหล่านี้จนเกินไปอย่าได้ถือเป็นหลักตายตัวเพราะเท่าที่กล่าวมานั้น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 แต่ก็มีบางภูเหมือนกันที่มีการจดบันทึกทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความเคยชินสมัยที่เป็นมนุษย์เมื่อต้องการจดจำอะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ชอบจดบันทึกเอาไว้และข้าพเจ้าได้ถามท่านอีกว่าถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นยังไม่ตายเขายัางเป็นคนอยู่ท่านที่เป็นหัวหน้าในภูมินั้นๆจะสามารถทราบได้หรือไม่ว่า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 มันก็จะมีปรากฏการเกิดขึ้นในภูมินั้นๆเพราะฉะนั้นโอปปปาติกะที่เป็นหัวหน้าหรือพูดอีกในหนึ่งคือผู้ที่เป็นย ม, มาบาลในภูมินั้นๆจึงสามารถที่จะรู้ได้สำหรับคำอธิบายของพ่อฤษีดังที่กล่าวมาเนี้ยข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นหลักที่แปลกจากที่ข้าพเจ้าเคยเข้าใจมา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 ข้าพเจ้าได้พิมพ์มาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วข้อความในประสูตรนั้นมีดังต่อไปนี้เรื่องกรรมที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดดุกะระภิกษุทั้งหลายกรรมสี่อย่างเหล่านี้อันเรากระทำให้แจ้งแล้วรู้ทั่วถึงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตัวเองคือหนึ่ง กรรมดำมีวิบากดำสองกรรมขาวมีวิบากขาวสามกรรมดำและขาวมีวิบากดํดำและขาวสี่กรรมไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากไม่ดำและไม่ขาวและย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งกรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมเช่นไรเป็นกรรมดำมีวิบากดํดำดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรียกว่ากรรมดำมีวิบากดํดำดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรเรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายสังขารวัจจีสังขารมโนสังขารอันได้เป็นไปเพื่อความเบียดเบียน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 หน้า ร, รา ม, ามานนาราามา้อยใจงสัสบสีาา่ ก็ฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรคนงเหตุของใครที่ไหกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูแลเหตุผล